กรรมที่ชำระสันดานของผู้กระทาให้สะอาดสภาวะอันทําให้เกิดความน่าบูชาการกระทาอันทําให้เต็มอิ่มสมน้ำใจความดีกรรมที่ดีงามเป็นประโยชน์ความประพฤติ ช, ชอบทางกายวาจาใจกุศลซึ่งมากหมายถึงโลกิยะกุศลหรือความดีที่ยังกรอบด้วยอุปธิ คือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ปรารถนากันในหมู่ชาวโลกเช่นโภคาสมบัติบางทีหมายถึงผลของการประกอบกุศลหรือผลบุญนั่นเองเช่นในพุทธพจน์ที่ว่าภิกษุทั้งหลายเพราะการสมาทานกุศลธรรมทั้งหลายเป็นเหตุบุญนี้ยอมเจริญเพิ่มพูนอย่างนี้และมีพุทธพจน์รัดไว้ด้วยว่าภิกษุทั้งหลาย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 บุญของชนเหล่านั้นย่อมเจริญงอกงามทั้งคืนทั้งวันตลอดทุกเวลาชนเหล่านั้นกุทตังอยู่ในธรรมถึงพร้อมด้วยศรรีลเป็นผู้เดินทางสวรรค์คำผีทั้งหลายกล่าวถึงบุญกรรมที่ชาวบ้านคนร่วมกันทาไวเป็นอันมากการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนทางสร้างสะพานขุดสระน้ำสร้างศาลาที่พัก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 เป็นบุญกิริยาวัตถุสิบ